เพราะว่าการประชุมเฉพาะพระเนี่ยรู้สึกว่าเราพูดอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยระหว่าพูดอะไรได้มากไม่เหมือนเราประชุมกันในคณะศรัทธาญาติโยมฟังด้วยบางสิง่งบางอย่างเราก็พูดด้วยความระมัดระวังในระดับหนึ่ง อันนี้ถ้าพวกเราพูดในฐานะพระคือพระสงฆ์ที่มาเข้ามาอยู่ในวงในอยู่ในหลักพัฒรมวินยัยเราก็พูดกันได้ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งวันนั้นวันนี้ผมจึงได้เรียกประชมุมในระหว่างเพราะช่วงนี้ผมก็ว่างอยู่บ้างในช่วงหลังๆก็อย่างที่หมู่พวกเพื่อน ได้รู้ได้เห็นมีคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นมาเองเพราะท่านเหล่านั้นญาติยมหรือว่หมูพวกเพื่อนเหล่านั้นเราก็ไม่ได้เช้อเชิญท่า น, นมาเองนมาเองในฐานะที่เราเป็นพระเจ้าของถิน่นเจ้าของบ้านกเวลาแขกมาก็ต้องให้ตอนรับ ตามสภาพเ อ, อนะวาปฏิสันฐานคารวตาเคารพปฏิสันฐานต่อแขกคนที่มาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าเราไม่อยากจะคบคู่คนเราคนนี้ไปอยู่ป่าแต่บุคคลเช่นนั้นพระเช่นนั้นเมื่อไปอยู่ป่าแล้วก็หัน หน้าเขามาหาชุมชนหนีจากชุมชนไม่พ้นอีกเหมือนกันเมันเบื่อไม่จริงถ้าเบื่อจริงแล้วก็นั่นเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เบื่อคนแต่อยากจะได้ลาประโยชน์จากคู่คนอันนั้นแปลว่าเบื่อไม่จริงแต่อันนี้เมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นไรเราให้รู้จักสถานะเราจะว่าเบื่อคนก็ไม่ใช่ เราจะว่าเบื่อราบยศชนะเสริญเออก็ไม่ใช่เราคล้ายๆว่ามันพาดมาเราก็รับตามสถานะที่มันมาพาดมาเกยเราก็ไม่ได้เรียกร้องหรือเราไม่ได้ อ, อหวย ห, หา อ, อ, อยากจะให้เขามา อ, อหรือว่าเมื่อเขามาแล้วก็ น, น้าปูดหน้าเปี้ยวไม่ควรจะทําอย่างนั้นเพราะเราเป็นพระสาธารณะ เป็นพระของทุกหมุ่ทุกเหล่าเป็นพระพุทธบริษัทธ์สี่เมื่อพุทธบริษัทธ์สี่เข้ามาเกี่ยวข้องเราควรจะทำอย่างไรเราพอจะแนะนำสั่งสอนเขาได้เราก็ให้คําแนะนำสั่งสอนเขาเราพอที่จะแจกธรรมะของครูบาอาจารย์เราก็แจกเราก็ให้เขาสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ ต่อพุทธบริษัทสเราก็ทำสิ่งนั้นนี่แหละคือคือพระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ส่วนตัวของเราเองเราจะไม่ปล่อยปะละเลยเราให้รู้จักหน้าที่ถึงจะทำหน้าที่อย่างไรก็ตามแต่ส่วนหน้าที่ของตนเองนั้นจะ ไม่ให้ขาดตกบกพ่องทำไมจึงว่าไม่ให้ขาดตกบกพ่องเพราะเรารู้เท่ารู้ทันเราพิจารณาเมื่อไรเราคิดเมื่อไรเออจะนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดจะนั่งภาวนาคิดเราก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งชีวิตของเราถึงจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเราจะลุ่มหลงมัวเมาเ อ, อ่ถ้าย่อทายานจะหลงไปที่ไหนก็เถอะ พยามัจจุราชคอยจ้องเราอยู่ทุกเวลาเวลาพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่พวกนักปฏิบัติหรือว่าผู้ที่รู้เท่ารู้ทันท่านจะไม่ยอมให้โอกาสหรือว่าว่างเว้นจากโอกาสไม่ปล่อยจิตใจให้ปล่อยปะละเลยไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราโคตรถูกท่านนะที่มาเขา เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาบวชในครั้งนี้อย่าไปคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกนะคิดปรุงฟุ้งข้างนอกก็ใช่ถ้ามีความจําเป็นก็คิดไปในชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่วาวาดมโนภาพออกไปจนนอกลูก่นอกทางนะเข้าทํานองที่ว่ากินข้าวไร้ ย, ยุ่งไร้ฉ า, างแล้วก็คิดใหญนะ่พอออกไปก็เท่านั้นแหละเนะพราะเหตุอะไรเพราะตัวเอง เพอยู่กับตัวเองทั้งหมดถ้าตัวเองไม่ดีไปที่ไหนมันก็ไม่ดีถ้าตัวเองดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ดีหมดมันอยู่กับตัวเองคำนี้ขอให้พวกเราทบทวนดูในตัวของเราแต่ทางนี้ทางนั้นผมไม่ได้กีดการมูพวกเพื่อนว่ะอยากจะให้อยู่กับผมไม่ใช่อยาคิดจย่างนั้นอยากคิดอย่ า, างานั้นคิดผิดถ้าทำตัวไม่ดีละผมจะไล่หนีออกจากวัดทันทีเลยไม่ว่าวันไหนแล้วว่างั้นะ ถ้าเห็นว่ามาอยู่ในกรอบของพระหลักหลักพระธรรมวินัยแล้วผมจะไม่ให้อยู่อถ้าว่าองค์ไหนก็ตามถ้าอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเออนั่นแหละเป็นสหธรรมิกเป็นเมื่อเป็นหมู่เป็นเพื่อนเอเป็นศากยบุตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นวงสาขานายาติแตุการว่าทําตนไม่ดีแล้วนั่นแหละไม่ว่าใครผู้ใดล่ะอแปลว่าตัดญาติขาดมิตรกันได้ไอ้เพ่ออะไร เหมือนกันน้ำกับ น, น้ำมันมันเข้ากันไม่ได้ความดีกับความชั่วเพราะนั้นหมู่พวกเพื่อนทุกองที่อยู่กับผมเนี่ยในขณะที่อยู่ให้ทั้งอกทั้งใจเป็นพระที่ดีแล้วก็ในขณะที่อยู่ผมขอบอกว่าอย่าคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วจิตใจมันจะว่าวุ่นจิตใจมันจะร้อนมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนเห็นครูบาอาจารย์ เห็นกิ จ, จวัดข้อวัดมันจะร้อนไปหมดมันจะขวางหูวขวางตาเพราะว่ากิเลสในใจของเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก้อใจมันออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดดูให้ดีถ้าเราออกไปข้างนอกถ้ามันดีอยู่ข้างนอ ก, กเราจะเข้ามาทําไมหรือเข้ามาแล้วมันอึดอัดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอึดอัดก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้าว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆนะแต่ถึงยังไงก็ตามในขณะที่เราอยู่ เราก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของหลักพระ ธ, ธรรมวินัยถ้าหาว่าเราไม่อยู่ถ้าจิตใจของเราไม่อยู่ในกรอบหลักพระ ธ, ธรรมวินัยแล้วเราอย่าหวังเลยในความสุขที่จะเกิดขึ้นมากับตัวของเรานะผะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผมบอกเลยว่าความดีก็ดีความชั่วก็ดีคุณงามความดีก็ดีเรานั่นแหละจะเป็นคนทำ เราไปอยู่จะไปอยู่ในจักรวาลไหนก็เถอะไม่ใช่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเมื่อนั้นไปอยู่ในจักรวาลไหนก็เถอะตัวเองนั่นแหละเป็นคนทําไม่มีใครที่จะทําให้แกเราได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพยายามทาคุณงามความดีความดีอยู่ใ น, นสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราคิดไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราอย่าปล่อยป่าละเลยถ้าพวกเราปล่อยป่าละเลย แม้แต่นาทีหรือวินาทีเอาเป็นเวลานั้นไปว่าเสียเปล่าประโยชน์เราไม่ได้คิดให้เกิดประโยชน์อเพราะฉะนั้นการสั่งสมขุนงามความดีกิจวัตรข้อวัดมันเกื้อกูลหนุนกันทั้งหมดถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่พาทำมาหรอกท่านก็จะให้นั่งภาวนาะทั้งวีทั้งวันแดูวัดวก ล, กลงลางไปหมด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจมันรกวัดมันก็รกไปด้วยจิตใจไม่สะอาดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สะอาดออสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายก็คืออะไรคือสินสะอาดวาจาสะอาดกายสะอาดวาจานี่คือสินสะอาดใจนี่คือสมาธิขปัญญาที่จะชาระใจเพราะนั่นถ้าไม่มีศินเสียอย่างเดียวเท่านั้นะ กายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดแล้วอย่าหวังเลยใจที่มันจะสะอาดได้แล้วเพราะเหตุไรเพราะสิ่งมุนี้มันศกก็ปลอกลกลุงลังไปหมดทําอะไรก็นั่นออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ใช่มันมีความทุกข์อยู่กับครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวไม่ว่าท่านว่าเราผมเองก็เหมือนกันแต่คิดว่าจะออกไปเป็นอิสระนะ พอออกไปแล้วมันไม่ใช่อิสระแต่ความคิดมันกิเลสเมือิสระมาด้วยสิ่งไหนที่มันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะความรุ่มหลงมัวเมามันจะขยำเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหละทีนี้ทีแรกออกไปใหม่ๆก็รู้สึกว่าเออสะดวกสบายพอต่อไปเอจิตใจมันกระดำลงเศร้าหมองลงดำลงดาลงเพราะไม่ได้อยู่ตามหลักธรรมคำสอน พอต่อมาต่อมาพอดําเสร็จแล้วมันแดงขึ้นทีนี้มันติดไฟติดกิเลสราคะโทสะโมหันมันติดไฟราคะเข้ามาทีนี้มันแดงโล่งขึ้นมาทีนี้นั่นแหละพวกท่านทั้งหลายจะอยู่ด้วยความลําบากอจะอยู่ไม่ได้ในศาสนาทีนี้เนี่ยเพอใจมันร้อนมันคุมไม่อยู่แล้วทีนี้มองที่ไหนมันเห็นผ่าเหลืองร้อนไปหมดการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอยู่ในป่าช้าทีนี้ มองไปทางโลกเหมือนกับเป็นเวิมานสวรรค์วิมานอย่างนั้นแหละจิตใจมันมันออกไปทางนอกอแต่พอออกไปจริงๆริงทีนี้พอไปเจอของจริงเข้าทีเนี้ไปอยู่ทางฆรวาสญาติชมเมืม่อก่อนตําหน่งตัวเองกูมาทําไมวะเมื่อก่อนเพียงแค่นี้แหละมันมีอะไรหระดีกว่านี้มีไหมนี่มีแต่คอยวันตายเท่านี้กูทําไมจึงมาเป็นอย่างนี้อีกผลที่สุดใจตัวเองก็หันเหเข้ามาหาวัดอีกอ นั่นแหละคนไม่มีจุดยืนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันมีมากต่อมากที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นอันนี้เป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเวลามาอยู่กับผมก็ดีมาอยู่ปฏิบัติกับผมในวัดนี้ก็ดีให้พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่มองดูตัวเองแล้วเราจะอยู่ในศาสนาได้หรือไม่ได้ จุดนี้จะเป็นพระใหม่ผมไม่ว่าเพราะว่าเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าจะอยู่กี่เดือนกี่ปีกี่วันแต่สำหรับพระเก่านั้นผมอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทบทวนดูให้ดีตั้งแต่มาบวชมาถึงวันนี้แล้วก็คิดไปในอนาคตให้ยาวนานทีเดียวจนถึงวันชิ่นชีวิตจนถึงวันตายพูดง่ายเราจะอยู่ไปยังไง เราจะอยู่แบบชังกระตายแบบเหยียบเลือสองฝั่งอย่างนั้นเหรออคิดไปท้งโลกด้วยอยู่ทางธรรมด้วยทั้งโลกด้วย ท, ท้งธรรมด้วยมันหาความสุขไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้จิตใจมุ่งมั่นเราต้องคิดดูให้ดีซะก่อนว่าเราออกไปสู่คารวาสญาติโยมแล้วเราได้อะไรเรามีความสุขอย่างไร ที่โลกเขาต้องการนั้นคือต้องการอะไรสรุปแรกก็คือเรื่องการมักกิเลสอันนี้คือหัวใจหลักผมพูดจากนี้ทั้งนั้นไม่ผิดกันแล้วกันเรื่องการมราคะเรื่องการมักกิเลสอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกระดับเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันเป็นมาตั้งแต่ตะกแตนตัวบุ่งตัวหนอนมันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นมนุษย์มนาเป็นเทวดาก็ยังมีเรื่อง การ ม, มากักกะเลศตัวนี้มันติดภพติดชาติอย่างเหนียวแน่นเหลือเกินโลกเขาก็ว่ามันมีความสุขแต่พิจารณาด้วยธรรมะเข้าไปแล้วไปคลี่คลายดูแล้วความสุขตังนั้นคืออะไร่มันเป็นความสุขที่จริงไหมเป็นความสุขจริงไหมหรือเป็นความสุขที่จอมปลอมหรือเป็นความสุขอย่างไรเป็นความสุขที่ให้ที่เราให้ความสําคัญมันใช่ไหมเราให้ความสําคัญมันมันจริงเลือดเลยใช่ไหมะ สิ่งเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาคอ่อควรทบทวนหรือ ว, ว่าคลี่คลายดูให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันเป็นเรื่องของใจของเราไปให้ความสำคัญ อ, อถ้าจะว่าไปแล้วกันเนี่ยเหมือนไมน้กินกระดูกอย่างนั้นอ่ ะ, อะมันแซบมันอร่อยอะไรเพราะน้ำลายของมันเท่านั้นเองอเราให้ความสำคัญมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละกระดูกมันเป็นไรกระดูกแห้ง อันนี้ก็ลักษณะอย่างงั้นเหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูให้ดีอันนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ดูถูกแต่เราดูถูกกิเลสดูถูกกิเลสกามราคะเอไม่ใช่ดูถูกใครผู้ใดเราดูถูกกา ม, มากิเลสพบพระเจ้าาดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จุดต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าไนี่เกิดมาเพราะความดําริคํานึงถึงแต่บัดนี้เรารู้ต้นเงาของเจ้าแล้ว เราจะไม่ดำหลึกคำถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ดูรู้จุดนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาดูทบทวนดูให้ดีแล้วเมื่อเราจิตเข้าใจของเราทำไมใจของเราจึงไม่สงบทำไมใจของเราจึงว้าวุ่นทำไมใจของเราจึงปั่นป่วนอย่างนี้ใจของเราทำไมจึงร้อนอย่างนี้เพราะเหตุอะไรเพราะมันไหลไปทางนั้นมากกว่าเพราะนั้น มีทางเดียวผมว่านะ ค, คิดดูให้ดีตลอดรอดฝังแล้วมีทางเดียวคล อ, อ, องผ้าสเสวียงบาเขามากราบพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อพระธรรมคือหลักเหตุผลชีวิตนี้ทั้งชีวิตข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตจะไม่เป็นอย่างอื่นชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะ อยู่ในศาสนาเท่านั้นผมว่าถ้ามูพวกเพื่อนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าจิตของพวกท่านทั้งหลายจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเพราะมันตัดขแขนงมันตัดสิ่งที่มันจะเยื่อใจออกไปข้างนอกถ้าคิดเมื่ อ, อไหร่เอ้ยเราตัดแล้วตั้งแต่คราวนั้นแล้วมึงจะแก่จะคิดไปยังไงอีกวะอย่าคิดนะเราตัดแล้ว เราคิดดีแล้วก่อนที่เราจะตัดจุดนั้นที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นเราก็คิดทบทวนมาจนพอแล้วมันจะหวนกลับไปอีกเหร อ, อสัจจะคือคือสัจจะคือความจริงใจก็คือความจริงใจความตั้งใจคือความตั้งใจเราจะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะมุ่งมั่นยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหะเป็นแนวทางถึงอย่างไรข้าพเจ้าคอยพยายามจะทําจิตใจของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในชาตินี้ เท่านั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าใจของเราหรือสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้งา่ายจะเดินทางด้านปัญญาก็ไปได้เร็วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดทางนี้ทั้งนั้นเป็นการแนะนวนะแนะแนวในการประพฤติปฏิบัติแต่ผดดู้ใดไม่พร้อมอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นเป็นการโกหกตัวเองไม่ดี โกหกแล้วโกหกอีกอ่ามันขัดสัจจะน่าสัดจะคือความจริงใจสัจจะมันขาดจากจิงใจแล้วต่อไปจะเป็นคนล้มเหลวจะเป็นคนอหลักลอยจะเป็นหลักปักขีดเลนอันนั้นใช้ไม่ได้ในเมื่อเราคิดดีแล้วน่าเหมือนหินหักแล้วงั้นใส่ตกเลยน่าหินหักแล้วงั้นยจะเอามาจอดมาต่อกันยังไงมันคือมงินก็ไม่เหมือนเก่าเพราะเหตุไรเพรหินมันหัก นี้ก็เหมือนกันใจของเราให้หักจากกิเลสจากหักจากทางโลกนั้นให้หักอย่างนั้นคือให้เป็นคนสศวนกันเลยต่อกันไม่ได้ในเรื่องนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะสำหรับี้ผมพูดสำหรับพระเก่าที่ผู้มุ่งมั่นต่อมรรคต่อผลควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจ ะ, อออะรอรอเลยแหล ะ, ะไม่ควรจะอยู่เป็ น, นช่างกระตายเป็นวั น, ว น, วน คิดออกมาอยู่ ท, งทางธรรมก็คิดทางถึงทางโลกออกมาจากทางโหกก็ามาคิดถึง ท, งทางธรรมเป็นอย่างนี้แปลว่าจิตใจจะไม่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางาไม่ถึงจุดมุ่งหมายในการบวชของพวกเรามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกโจงแจ้งอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีจริงสาหรับผู้ประพฤติธปฏิบัต แต่ว่าผู้จริงจังจะต้องรู้อันดับแรกก็คือสมาธินี่แหละก่อนถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติสมาธิของเราดีแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราจะได้รับในความร่มเย็นเป็นสุขของสมาธิในระดับหนึ่งเพียงแค่นี้เราก็จำไม่ลืมแล้วมันสงบร่มเย็นมันปราบกิเลสในจิตในใจของเราอยู่ในราบคาบพอจงควรแต่ถ้าว่าเรา เพียงแต่สมาธิเปรับลงเท่านั้นก็เหมือนกับหินทับหญ้าเคือมันยังไม่ได้ถอนถอนรากถอนเง่าของมันยังยังไม่ถอนหัวหญ้าขึ้นมาพอหินหลุดออกไปหญ้าของมันจริงงอกงามขึ้นไปอีกพอพอหินทับเอาไว้นี่ก็เหมือนกันแต่สมาธิเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับหินทับหญ้าคือมันทับกิเลส ราคะโทสะโมหะมันอยู่่ในความสงบเนี่ยพราะความสงบเข้าไปจิตจิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ส่านจิตไม่ส่งออกนอกจิตอยู่กับตัวจิตนิ่งจิตรวมจิตเป็นตัวของตัวจิตเป็นอิสระกิเลสเข้ามาไม่ถึงกิเลสราคะโทสะเข้ามาไม่ได้ในช่วงนั้นในขณะนั้นในจิตที่สงบนั้นเรามีความสุขเน่นี่วัดนัติสันติปรังสุขัง ในระดับหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันจิตสงบนะแต่เมื่อสมาธิมันคลายออกไปแล้วกิเลสมันเข้ามาคลองถึงพอมันเข้ามาคลองนั่นแะทีนี้มันบางทีมันหลั่งมาอยู่ก็มีบางคนก็สมัยเมื่อเป็นพระทำจิตให้สงบก็มีความสุขแต่พอมันเผลอออกไปทีนี้เผลอเผลอก็เสียคู่เสียคน สิกขาลาเพศไปก็มากก็มากไม่ว่าในแต่ครั้งนี้ในครั้งพุทธเจ้าก็เหมือนกันในครั้งพุทธองค์ก็สมัยหนึ่งพระสงฆ์ท่านองค์หนึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติจนได้ชานชานโรกีอยู่แบบนั้นสแสดงฤทธิ์ได้มีความสงบแต่ผลที่สุ ก, ก็ไปเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปราถนาเขา ก, กล้าสิกขาพอลาสิขาไปแล้วก่เนีเ่ย มันออกไปข้างนอกสึกได้วะงั้นเถอะในขณะจิตสงบขนาดนั้นล่ะมันยังสึกได้ผลที่สุดก็ไปเจอเขาจะเอาเข้าตะแลงแกงจะไปตัดคอเข้าถึงนจนพระเถระมหากัสปะได้ไปพูดไปเทศให้ฟังเพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านจำเนึกได้เกิดฌานโลกีขึ้นมาอีกเครื่องพันธนาการก็หลุดออกจากท่านไปอีกเพราะท่าน มีอภินิหารขึ้นมาแล้วนั่นแหละสิ่งเหล่านี้สมาธินี้ถ้าว่าเรายัางไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาถอดถอนมันพร้อมที่จะประทุขึ้นมาได้เพราะนั้นอย่านิ่งอยู่ในสมาธิอย่างเดียวเมื่อเราทำจิตให้สงบด้วยสมถะใดก็ตามด้วยกรรมาฐานใดก็ตามเมื่อจิตสงบ พอเป็นพื้นฐานแล้วให้นำมาพิจารณาคลี่คลายอันไหนสวยอันไหนงามในร่างกายของเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็เห็นยกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรูปร่างวิศวะภาคคือฝ่ายตรงข้ามกับเราคือฝ่ายหญิงอย่างเนี้ยถ้าฝ่ายหญิงก็คิดถึงฝ่ายชายอย่างเนี้ยเราคลี่คลายดูสิดูให้ดีอันไหนคือ ที่เราไปติดไปห้องในรูปนั้นๆอ่อันไหนสวยงามในความรู้สึกของเราผมขนเล็บฟันหนังอที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นว่าสวยงามแต่นี่ถ้าว่าแยกออกมาถลกหนังถอนผมถอนฟันออกไปแล้วคนคนนั้นจะเป็นอย่างไงที่เราไปติดไปคล้องนะ ก็ไม่มีอะไรทีนี้ทําไมธรรมบาสวยงามนั่นคืออะไรสรุปแล้วคือออกไปจากใจของเราเราไปให้ความสําคัญในรูปนั้นในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นมันก็เลยความสําคัญจุดนั้นก็เลยมาเตะถีบหัวใจของเราทำไมหัวใจของเราตุปัตตุเปตุรัตตุเลยร้อนระทมทุกข์ขึ้นมาจากจิตใจอย่างมากเพราะเหตุใ เพราะกิเลสในใจของเราไปให้ความสําคัญนะเนี่ยไปให้ความสําคัญจุดนั้นไปให้ความสําคัญหนังผูดผาดขึ้นมาเออหนังเนียหนังสวยหนังงามอ่าแต่ตาไม่จริงก็คือหนังเออเอามาทําเป็นหนังรองเท้าก็ได้เอามาทําเป็นหนังอะไรก็ได้มนุษย์อ่หนังหมาหนังสัตว์หนังคนถ้าว่าไม่รังเกียจเอาหนังคนก็มาทําเป็นเออถลกหนังมาทํามันก็ไม่แพ้หนังอื่นๆเหมือนกัน เอาเข้าว่านหนังล่ะเนี่ยอันนี้แหละพวกเราหลงหนัง่ถ้าถะลกหนังออกไปแล้วเป็นยังไงมนุษย์มีเนื้อแดงเขือขึ้นมาแล้วน่าดูไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยสมาธิของเรานะด้วยสมาธิของเราไม่ใช่ด้วยความคิดเฉยเฉยด้วยความคิดของเราเนี่ยเหมือนกับหมอ วิเคราะห์เรื่องร่างกายกายวิภาคกันอันนั้นคือหมอที่พิจารณาดูแบบหมอเอผมมีหน้าที่อะไรขนมีหน้าที่อะไรเล็บมีหน้าที่อย่างไรฟันมีหน้าที่อย่างไรทําไมมันจึงอยู่ได้มันทำไมจึงงอกออกมาทําไมจึงหล่นทําไมจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็คือหมอวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งแต่วิเคราะห์อย่างธรรมะของพระพุทธเจา้าวิเคราะห์ ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยถึงจะยืนไปขนาดไหนก็เถอะมีจุดจบเยถึงจุดจบถึงวันตายเี่ยถึงวันฉลายสู่ดินน้ำลงไฟถึงจะยืนขนาดไหนก็เถอะเออเหมือนกับภา ช, ภาชนะถึงจะน้อยใหญ่เล็กสวยงามขี้เลขนาดไหนนะภาชนะนกระเบื้อง การกระเบื้องอีกสักวันหนึ่งก็ต้องแตกด้วยกันทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราทุกๆคนถึงจะอายุยืนขนาดไหนเกิดขึ้นมายืนขนาดไหนก็ไม่มีคนคนไหนที่จะอยู่คำฟ้าอยู่ได้มีจุด เพราะนั้นทำไมใจของเราจึงไปให้ความสาคัญไปให้ความสาคัญจนถึงกิเลสราคะโทสะเกิดขึ้นมาได้บางทีมันว่ราราคะขึ้นมาเออมันกุมรุ่มหัวใจจากนั้นเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาเห็นครูบาจา์เห็นหมูเห็นเพื่อนก็ไม่สบายใจไปหมดทุกใจไปหมดเพราะเหตุไดเพราะใจมันมีกิเลสเออกิเลสราคะกิเลสโทสะ ราคากับโทสะมันไปด้วยกันบางทีบางสิ่งบางอย่างเราคิดอยากจะทําอย่างนี้แต่หมูพวกเพื่อนหรือพระวินยัยพระธรรมวินยัยหรือครูบาอาจารย์ห้ามปรามไม่ให้ทําอย่างนี้ตัวเองไม่พอใจไม่พอไปเพราะตัวเองอยากจะทําจุดนั้นอยากจะพูดจุดนั้นอยากจะอยากจะกระทําในจุดนั้นไม่พอใจไม่พอใจก็คือกิเลสโทสะขึ้นมาแล้ว คือมันปกป้องตัวราคะนั้นนี่แหละเพราะว่ากิเลสราคะเนี่เป็นต้นตอของ ก, กิเลสภายในใจกับกิเลสราคะเนี่เป็นเป็นหลักอกิเลสโทสะเนี่ปกป้องคุ้มของอป้องกันอป้องกันราค า, าราคะเนี่ยมันเย็นช่านะเมันหวานแต่มันเครือบด้วยยาพิษอย่างแรงอยู่นั้น่นแต่โทสะมันร้อนซา มันร้อนซากแต่ใครๆก็ไม่ต้องการหรอกเวลาโทสะมันขึ้นมาตัวเองก็ยังไม่ชอบบางทีมันโกรธขึ้นมารูา้สึกว่าศีษะมันจะแตกออกหน้าดาหน้าแดงแต่ราคานี่ไม่ใช่าหวานเยิม้ม น, นี่แหละราคาโทสะมันไปด้วยกันแต่ทําไมจึงมีราคาโทสะพ่อโมหะคือความหลงความหลงมัวเมาไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเรา สรุปแล้วก็คือเราไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันออกไปจากใจใจไปให้ความสำคัญมันจึงสำคัญถ้าจะไม่ให้ใจไม่ให้ความสำคัญแล้วมันจะสำคัญขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราพิจารณานะถ้าถึงภาวนาอย่างนี้ก็คือทาจิตใจให้เป็นสมาธินะเบื้องต้นซะก่อน ทำไม่บางท่านก็นั่งภาวนาจิตมันปรุงออกไปข้างนอกบางทีก็มีนิมิตบังบางทีก็มีเรื่องอะไรแทรกเข้ามาในขณะที่นั่งสมาธิบังแต่ถึงยังไงเราอย่าให้ความสาคัญในนิมิตเหล่านั้นอย่าให้ความสาคัญนิมิตเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งสาคัญ มันเป็นนิมิตคือความหมายเท่านั้นเองถ้าใครก็ตามไปให้ความสาคัญฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนนิมิตเกิดอยู่ทั้งวีทั้งวันและเอามาอวดมาอ้างให้หมูฟังแล้วมันได้อะไรเนี่ยมันได้อะไรเมื่อก็เห็นพวกเราไปเห็นภูมิ ผ, ผาป่าไม้ไปเห็นที่ไหนๆมาแล้วมันได้อะไร เ, ออเราได้อะไรเรานํามาใช้กับเราได้ไหมในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเห็นเอย เห็นคู่คนเข้าไปแล้วก็พิจารณาเป็นเห็นนิมิตขึ้นมาเห็นคนขึ้นมาเราเพ่งดูลราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเพ่งดูแลอู่เห็นซากศพคนตายเห็นกระดูกเห็นมันเน่าเสื่อมสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเห็นอย่างนั้นไปลว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนั้นเกิดประโยชน์แต่ว่าเห็นแล้วเห็นแต่ความเสร็จสวยงดงามมิแต่ความจะลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้น เราเห็นเหล่านั้นได้เป็นไงมิจต์เสียเป็นินมิตเหล่านั้นเสียมีแต่เสียมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ให้เพ่งมองไม่ให้ดูนิมิตอย่าไปให้ความสําคัญนะนิมิตนะหลงได้นะสําคัญตัวผิดนะหาถาว่าตัวเ อ, ง, องวันไหนนั่งภาวนาแล้วไม่เห็นนิมิตแปลว่าวันนั้นลองเหมือนก็ไม่ได้นั่งภาวนาท้าว่าวันไหนนั่งภาวนา อ, อพอจิตสงบรวมลงไปเป็นอุปจาระสมาธินิพนธ์นิมิตเ อ, อผ่านมาเป็นฉากฉากเหมือนกับหนังอ่ะเออเหมือนกับฉายหนังให้ดูตลอดก็เพลิดเพลินอ้าปากตาเคี้ยวดูอย่างนั้ น, แ ล, น, นออแล้วมันได้อะไรถามแล้วสิพอจบประมาณแล้วมันได้อะไรมันก็ได้เพียงได้ดูเท่านั้นเอง เ, ออเพลผยังหลงในนั้นอีกถ้าวันไหนนั่งภาวนาจิต ใจของเราไม่สงบไม่เห็นนิมิตเออวันนั้นก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกทีนี่เพราะเหตุอะไรเพราะว่า จ, จิตใจเหมือนกับนั่งภาวนาแล้วไม่เห็นอะไรแน่น่ะทํำไม่ทาไมไม่เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงนิมิตมันเที่ยงหรือเปล่าอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ให้เห็นเพียงนิมิตเท่านั้นเห็นอนิจจังนะของไม่เที่ยงนะทุกขังนะเอสิ่งไหนเอสิ่งไหนไม่เที่ยง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งไหนเป็นทุกข์จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเน่มันลงในไตร ล, ลักษ์ทั้งหมดถ้าพวกเราภาวนานะอย่าเพ่งมองไปทางอื่นถึงเห็นอะไรก็ตามให้เห็นอนิจจังให้น้อมหาสู่ไตรตลักษ์ไตรลักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดถึงจะมีครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนา ถ้าเราเห็นสิ่งใดก็ตามเ อ, อถ้ามันจะลุ่มหลงให้น้อมมาสู่ตายรักให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งวงเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ให้ยึดมั่นขนาดตัวรู้รู้ใจของเรารู้รู้อยู่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ให้ยึดใจของเราว่าเป็นตัวตนของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังนะเดี๋ยวก็คิดนุ่นเดี๋ยวก็คิดนี่ เ, ออเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใส เอเดี๋ยวก็อมีจุดมีต่อมอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยนะเอเดี๋ยวนึกคิดตรงนั้นดึงคิดเรื่องนี้ปุ่งเรื่องนั้นปุงเรื่องนี้เกลียดเรื่องนั้นชังเรื่องนี้พักเรื่องนั้นหลงเรื่องนี้มันอยู่ในจิตในใจของเราทุกวี่ทุกวันใจตรงนี้ก็ยังเป็นอนิจจังพระพระเจ้าให้ปฏิเสธกระทั้งใจเอใจตัวนี้เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของเราเมื่อก็คงที่เลยสิ อย่าให้มันลุ่มหลงมัวเมาสิขนาดใจพระพุทธเจ้ายังให้ปฏิเสธเพราะท่านพวกท่านทั้งหลายนักภาวนาพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเรื่อนักปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะชําระจิตใจของพวกเราให้พวกเราดูให้ดีจึงจะเห็นดิมิตเครื่องหมายอันใดก็าตามอย่าให้ความสําคัญในเมื่อเห็น เสียงไหนที่มันจะพิจารณาเป็นธรรม เ, ออเห็นอย่างเห็นร่างกายเป็นอสุภะเห็นคนตายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเราก็เนื่องนั่ ง, น, งนึกดูเขากับเรานะอันเดียวกันเราอีกสักวันหนึ่งเราก็ตายอย่างนี่แหละอย่างที่เราเห็นเดียวนี้ร่างกายของเราจะต้องเน่าต้องเปื่อยสู่ดินน้ำลงไปใจใจอย่าไปนึกอย่าไปยึดร่างกายว่าเป็นของเรานะอันนี้คือการพิจารณา เ, ออเป็นประโยชน์ ในการเห็นนิมิตนั้นแต่ถ้าเราไปเห็นสิ่งที่สดเจดสวยงดงามเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นผีอย่างนี้อันนั้นให้รีบนำใจเข้ามาหากรรมฐานเดิมเห็น ก, กรรมฐานเดิมคือเราภาวนาอะไรเราภาวนากาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเราก็เอามายึดกรรมฐานเดิม นิมิตเหล่านั้นมันจะหายมมันจะมันจะหายมันจะยุดไม่ต้องดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปดูนิมิตนิมิเตเกิดจากความหมายเท่านั้นอย่าไปให้ความสำคัญถ้าใครก็ตามถ้าหากว่าใครไปเล่นกับ น, นิมิตไปให้ความสำคัญกับนิมิตคนนั้นเนิ่นช้าเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเนิ่นช้าไม่ไปไปไม่ถึงไหน คำซ้ายคำขวาคำหน้าคำหลังหลงซ้ายหลงขวาห ล, ลงหน้าหลงหลังติดอยู่งั่นแหละถ้าเผือวันไหนไม่ได้ภาวนาไม่เห็นนิมิตวันนั้นเหมือนก็ไม่ได้ไม่มีรถไม่มีชาติเพราะเหตุไรเพราะตัวเองติดกับนิมิตเพราะนั้นนิมิตไม่เป็นผลดีสําหรับผู้ปฏิบัติผู้จะเดินทางสู่มรรคผลนิพพานนิมิตเป็นผลดีเมื่อเราเห็นนิมิตเหล่านั้น มาเตือนมาบอกว่าร่างกายของเราเนี่เรื่องกายของเขาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสัตว์สาระสิ่งก็ตามจะเป็นใครก็ตามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความแก่เห็นร่างกายของเขาแก่เห็นร่างกายเขาเขาเจ็บเห็นร่างกายเอาเขาตายต่อหน้าของเราเราก็พิจารณาเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในอันนั้นเกิดประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าไปเห็นอย่างอื่นเข้ามาแล้วไปเห็นเทวบทเทวดาอินพรมเห็นสิ่ง เสรสวยงดงามรูปหญิงรูปชายเป็นเทวบูทเทวดาเข้ามาแล้วไปติดไปข้องไปให้ความสําคัญอันนั้นเปล่าประโยชน์ครูใจอย่างนั้นอันนี้คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันท่านไม่ให้ยึดไม่ให้ติดในนิมิตทุกคนมันมีด้วยกันทั้งหมดอนิมิตแต่อย่าให้ความสําคัญแต่บางคนก็บอกว่านิมิตก็ดูไปเถิดดูแล้วก็ให้น้อมเข้ามาหาตัวเองใช่ถ้าน้อมได้อย่างนั้นดี ท่าน้องเขามาน้องมาทางไหนท่าน้องมาทางกิเลสเเปรียบเทียบว่าข้าจะต้องเป็นอย่างนี้นิมิตเนี่ยพนิมิตความหมายข้าพเจ้าเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาก่อนข้าพเจ้าเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนข้าพเจ้าเคยเป็นผู้มีมีอานาจวาชนะมาก่อนเมาชาตินี้ข้าพเจ้าจะต้องเป็นอย่างอย่างนิมิตมาบอกมากล่าวนั่นแหละเป็นความรุ่งหลบรุ่มหลว ม, ม, ม, มัวเมา หวังลมหวังแรงทั้งนั้น เ, เพราะนั้นเราจะไปให้ความสำคัญถ้าทำอย่งงางนั้นขนะออลุ่มหลงมัวเมาไปที่ไหนข น, นนะอดดูถูกเกียรตย้ํำหมู่พเพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหมดถือว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญเกิดมาแล้วกะแก่แก่แล้วกะเจ็บเจยบเพกกื่อจะตายก็มีแค่นั้นแหล อ, อถึงจะสำคัญขนาดไหนก็เอะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ ถ้างหัวิตของผู้ใดหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารตัดกิเลสขาดแล้วนั่นละประเปิดนั้นยอมรับอถ้าผู้ใดทําได้อย่างนั้น่ะยอมรับแต่ทั้งไม่ท่ายังไม่ถึงขนาดนั้นอย่าไปให้ความสําคัญตนเองให้ถ่อมตนเองไว้ให้ข่มตนเองเอาไว้อย่านะใจนะอย่าลุ่มลหลงวอมเมานะใจนะเอเธอรับประกันตัวเองได้หรือเปล่าวะเธอเป็นพระรอรหันต์ได้ยังเดี๋ยวนี้ะ ถ้าเรอยังสงสัยยังไม่เป็นพาาระอรหันแล้วเธออย่านะอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่ของวิเศษนะไอ้ใครเขา่ะตัดออกหมดเลยทางว่าเราทำจิตใจหรือว่ารู้เท่ารู้ทันอย่างนั้นได้แล้วผมว่าอยู่นสถานที่ใดไปนัสถานที่ใดจิตใจจะไม่ลุ่มหลงจะไม่ประมาทหมู่พวกเพื่อนจะไม่ประมาทใครทั้งนั้น รู้เท่ารู้ทันรู้รอบขอบชิดรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้สูงรู้ต่ำรู้คูบาจารรู้หมูรู้เพื่อนจะวางตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมเออแล้วก็ไม่ลุ่มหลวงมัวมาว่าไปชนุ่นจะดีไปที่นี่จะดีอีกต่างหากมันดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าเราทำไม่ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีอยู่ที่นี่ก็ไม่ดีไปที่นั่นก็ไม่ดีถ้าเราทาดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีมันอยู่กับตัวของเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเนีอันนี้คือเป็นแนวแนวในความคิดนะเนี่ยเนี่ยนี่วัดแนวความคิดเนีคือการแสดงธรรมการแสดงธรรมธรรมะกระจุทธ์คือทั้งนักเทศเนี่ยมี5อย่างมี5ข้อข้อที่1แสดงธรรมไปโดยลำดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความข้อที่2แสดงธรรมอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจข้อที่สตั้งจิตเมตตาปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังข้อที่4ี่ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภข้อที่5ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น นี่แหละพราะพระุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้คือทำมกักตะคือ ท, ทักเทศครูวาจารที่แนะนําสั่งสอนเนี่คือที่จะเทศหรือจะแนะนําอย่างนี้เนี่ยผมเองที่แนะนําหมู่พวกเพื่อนบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนเหลายครั้งต่อหลายหนผมก็ได้ฟังคําพูดของผมอีกเหมือนกันเรามุ่งหวังอะไรผมก็เนี่ยอ บางทีก็เงือแตกเงือไหลที่พูดให้ฟังมุ่งหวังอะไรก็มุ่งหวังเพื่ออยากจะให้หมู่พวกเพื่อนมีความรู้มีความฉลาดต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพวกท่านจังหลายตัจะได้นําแนวความคิดของผมส่วนหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาเป็นส่วนประกอบเข้ามาอีก เรื่องเยีตทยาทคำส่องสอนของพระเจ้านั่นคือหลักใหญ่จากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าที่ผมพูดให้แก่มหมู่พวกเพื่อนฟังมากมมยหลายกันอย่างใน mp3 ผมว่าผมฟังดูย้อนหลังดูแล้วผมว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับแนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนสาหรับพระสาหรับโยมไม่น้อยเหมือนกัน นี่แหละเรียกว่าการแสดงธรรมบางทีเพงกว่าเรียงลำดับให้ฟังว่าเออศีลเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนีนะ้ปัญญาเป็นอย่างนี้นะคือแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความข้อที่สองอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจอ้างเหตุผลแนะนำะเหตุผลอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกสมาธิและปัญญาเป็นอย่างนี้นะ ให้ผู้ฟังเข้าใจข้อที่สตั้งใจปราถนาเมตตาอยากจะให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือตั้งจิตเมตตาเมตตาเป็นหลักแล้วก็ปราถนาในใจอยากจะให้ผู้ฟังเข้าใจที่ได้พูดได้เทศให้ฟังนี่ให้แนะแนวให้ฟัง อ่ข้อที่สี่ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบอา่พราะแสดงธรรมึ้นมาั่นเลยเอ่ไปที่ไหนก็แสดงธรรมเพราะอยากจะได้การเทศของเขาอย่างนี้นไม่ควรจะมีเอีพราะเป็นพระอย่างผมเหมือนกันเอ่พอเทศก็อย่างที่พวกเราเราท่านทั้งหลายเห็น <c oughs> เป็นเทศที่วัดโพธิสมพรนะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ด สิงหาห้าสองฉลองวัดโพฉลองเจดีเขาถวายตั้งแสนกว่ากาันเทศผมก็มอบให้แกให้เป็นประโยชน์แกวัดโพที่สมพรให้ใช้ใจ่ายในงานที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่ก็ให้ดูแลอย่างบำรุงพระเจดีให้เป็นกองทุนต่อไปนี่แหละผมไม่ได้มุ่งหวังลาบในการเทศการพูด ผมมีจะพูดอยากจะให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นกินเข้าใจเรื่องศีลห้าอย่างนี้ผมก็พูดาปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์อาทินาไม่ให้ขโมยทรัพย์มีเหตุผลอย่างไรอย่างไรผมก็ชี้แจงในนั้นนี่แหละเรียกว่าอ้างเหตุผลหรือมีจิตเมตตาปรารถนาอยากจะให้ผู้ฟัง เ, เข้าใจาไม่แสดงธรรมบ่เห็นแกล่ลาบไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น คือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นเอออันนี้ก็ที่จะพูดเรียบเรียงเสียดสีผู้อื่นไม่ควรจะมีแต่ไม่กระทบะเฉลยอันนั้นกระทบกิเลสเราถือว่ากระทบกิเลสอย่านะอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดว่าผิวหนังผูดผาดนั้นเป็นของสวยงามนะถือว่าเป็นอสุภะปฏิกูลนะยิงไหม อย่างนี้ถ้าพวกเราได้ฟังแล้วก็เ ห, เหมือนจะกระทบคนอื่นนะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่กระทบคนอื่นกระทบกิเลสกิเลสในจิตใจของพวกเราเพราะเราพวกเราให้ความสำคัญผิวหนังว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ถ้าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอะผิวหนังนะ่ะมันไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามนะอีกสักวันหนึ่งมันจะเหี่ยวอีกสักวันหนึ่ง พอตายไปแล้วมันจะขึ้นสีดำหรอสีเขียวขึ้นมาจากนั้นก็แตกพุพองขึ้นมาเน่าเปื่อยขึ้นมามันสวยงามไหมให้เห็นตามความเป็นจริงนะนี่แหละคือหลักธรรมคือให้เห็นตามความเป็นจริง น, ะนี่แหล ะ, ละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ศึกษาผมพูดทางนี้เท่านั้นกับเพื่อการศึกษา ของหมู่ของคณะที่มาอยู่ด้วยผมผมจะพยายามแนะนำสั่งสอนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเ่ยจะดอดถึงที่ว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติธรรมผู้ที่จะเป็นนักบวชอาชีพคือนักบวชจะอยู่ตลอดไปไม่มีพันธะอะไรแต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะกิเลสการมารลาคะจะมาเล่นงานเนี่ยผมก็บอกแล้วบอกว่าพวกท่านทั้งหลาย ให้จิตใจมุ่งมั่นนะให้คิดในปัจจุบันดูในปัจจุบันแล้วก็ดีดย้อนไปหาอดีตเป็นงายจักรย์เราเห็นภายนอกเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในทั้งอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบไปอีกในอนาคตเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ถ้าเมื่อเราพิจารณาทบทวนดูทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตชีวิตทั้งชีวิตมันไร้สาระในการเป็นอยู่ ถ้าเมื่อเราเป็นกระวาต์เราทําอย่างเขาได้ประโยชน์อะไรได้สาระอะไรอะไรคือแก่นสารของชีวิตในถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราเร า, เราได้อะไรในเมื่อเราเปรียบเทียบดูให้ชัดเจนแล้วมองดูแล้วเรามั่นใจในตัวเองนะมันก็เท่านั้นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าจริงอย่างพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พ้าพุทธเจ้าที่หนีออกจากเฟียงวังไปบวชไปบวชอยู่ในป่าที่ท่านได้พระธรรมคําสั่งสอนมาแนะนําสั่งสอนล้วนแล้วจะเป็นนิยานิกระทัมล้วนแล้วจะเป็นธรรมะอันลึกซึ่งให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งนั้นเอาเถอะข้าพเจ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วในขณะนี้เนี่ยข้าพเจ้าจะตัดจิตตัดใจของข้าพเจ้าจะทําให้เหมือนหินหักอย่างที่ว่านะั่นเออจากนั้นครองผ้าเสเวงบ่า เข้าไปกราบพระพุทธปฏิมาเป็นสักขีพยานด้วยสัจจะวาจะข้าพเจ้าจะดำรงรงศาสนาจะง้กเขาเบาปัญญาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นจะไม่จิตใจของข้าพเจ้าไปทางอื่นแต่ข้าพเจ้ารู้ในพิจารณาที่ท่วนดีแล้วข้าพเจ้ามองเห็นแล้วในขณะนี้ว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่านั้นที่จะตัด ก, กิเลสภายในจิตใจของข้าพเจ้าถึงข้าพเจ้าออกไปอย่างนั้นมันก็มีแต่ลอยตามโลกลอยตามกิเลสมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉนั้นข้าพเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วในความรู้แจ้งเห็นจริงถึงอย่างไรงข้าพเจ้าจะพยายามตัด ก, กิเลสในจิตในใจของข้าพเจ้าเข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นนั่นแหละ อันนี้คือเมื่อตัดจิตตัดใจอย่างนั้นได้แล้วความเยื่อยิ่หรือความห่วงหาอะไรหรือว่าความวิตกกังวลหรือว่าความสองจิต2ใจสามใจสี่ใจก็อย่างบาปมันไม่มีในจิตใจแล้วจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วหมอบกายถวายชีวิตแล้วเป็นหนึ่งเดียวแล้วนั่นแหละเราจะภาวนาอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขความทุกข์จะไม่เข้ามาถึงจะทุกข์เข้ามาก็เป็นบางครั้งบางคราว พรจุดใหญ่เมื่อเรามีหลักยึดแล้วเหมือนกับฝังหลักในเสาหินลงไปในแผ่นดินแล้วเสาเขื่อนเสาหินลงไปในแผ่นดินฝังลงไป เ, เป็น2เมตรโผล่ขึ้นมาเพียงศอกเดียวนะ่ยมันฝังแน่นขนาดนั้นแล้วลมจะมาในทิศทั้งสี่ก็มาเถอะมันไม่หวั่นไหวก่อยแขวงทั้งนั้นแหละถ้าเราจิตใจมั่นคงอย่างนั้น พอายนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแ น, แนวเรื่องแนวความคิดท่านได้อย่างที่ผมพูดจิตใจของพวกท่านเองจะร่มเย็นเป็นสุขจะเอาชนะกิเลสภายในใจของพวกเราได้ไม่มากก่็ น, น้อยแต่ถ้าว่าพวกเราเ อ, ยอย่างลอยตามกิเลสราคะโทสะโมหะวันไว้ไวยแวงอยู่พวกเราท่านทั้งหลายจะหาความ ลมเย็ยนผาสุขได้ยากนะเออาจจะว่าไม่ได้เลยนะออมีแต่ความเราร้อนแต่ละวีแต่ละวันเออเราร้อนอยูน่นะมันเผาอยู่อย่างนั้นพี่ตกกังนวลว่าเวอ้างว้างเ อ, อเสือกหน้าเสือกหลังอยู่งั้นเอามีอารมณ์ขุนเคืองอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะมันไม่เป็นหนึ่งเดียวนะออถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวถ้ามันฝังแน่นแล้วอย่างที่ผมว่าแล้วนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแล้วเอเพราะจิตใจเรามุ่งมั่นไหลลงทางเดียวคือมรรคผลนิพพานอเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัดกิเลสออกจากจิตใจแล้วนั่นแหละเป็นบรมสุขเอถ้าจิตใจยังอยู่ถ้ากิเลสยังอยู่ในจิตใจใจจิตใจสนิมยังกัดเหล็กอยู่ตลอดอสนิมยังกัดเหล็กอยู่เหล็กตัวนั้นจะต้องเป็นหลุมเป็น รู้อยู่อย่างงั้นเห็นแสดงเถือนอยู่อย่างนั้ น, ออ น, นมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนิดมันกัดอยู่ตลอดอจนกว่าวันไหนชำละใจของตนเองด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาทําใจตัวเองให้เป็นสเตนเลสเสเตนเลสร้อยเปอเซ็นต์ไม่ใช่สเตนเลสธรรมดาสเตนเลสมีหลายระดับมีหลายเกรดเหมือนกันนะ ให้เป็นสเตนเลสร้อยเปอร์เนถ้าเป็นทองคําก็ทองคําไม่ใช่เก้าสิบเก้าสิบเก้าจุเกนะ้าอะไรเงี้ะทองคำรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรที่เครือบแฝงด้วยกิเลสแม้แต่ น, น้อยหนึ่งเนะี่ยนั่นแหละนี่แหละจิดของพระหันทําอย่างนั้นแหะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะ อ, อ, อันนี้ก็คือการเป็นการแนะแนวหรือเป็นการบอกกล่าวเป็นการ แสดงธรรมให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาขอให้หมู้พวกเพื่อนตั้งใจน่าภาวนาเนะเล่งความภาคความเพียรอย่าไปหมุ่งหวังไปทางอื่นเรื่องอนาคตมันไม่ยากหรอกถึงวันมันได้ไปเองอยู่เองออย่างผมเนี่ยนะผมเองผมไม่ได้คิดอะไรอืเอาปัจจุบันให้ดีเท่านั้นนะอนาคตมันสดใสไปเอง ถ้าปัจจุบันไม่ดีแล้วอย่าหวังนะ อ, อถ้าจิตใจตัวเองมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจแล้วอย่าไปหวังว่าความสุขภายภาคหน้าจะเกิดขึ้นมีแต่ความหุ่มร้อนมัวเมาตัวเองนะนะเพอะะต่างองค์ต่างอยู่นะต่างองคต่างภาวนานะอย่าไปคุยกันนะ อ, อผมไม่เห็นอยู่ทางหลังวัดเเนะี่ยจับคุยกลุ่มคุยกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้ น, า น, น, า น, นวางแผนกันนะ่ะ เอาเที่ยวอย่างงั้นไปอย่างนู้นไปอย่างนี้เที่ยวอย่างนี้หมดเที่ยวอย่าง น, น, างนี้มันเรื่องกิเลสทางนั้นจะไปปรุงออกไปข้างนอกเอปรุงอย่างนั้นเรีว่ากิเลสพาปรุงมันได้อะไรมันถึงข่าวไปแล้วผมไม่ล้างมาอยู่หรอกอผมไม่เคยที่จะข้ า, ามมู่พวกเพื่อนแต่ถึงยังไงก็ตามให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะไปที่ไหนไปอย่างไรตอนนนเองไปด้วยเหตุผลไหมจะไปทะเลทะเละอย่าไปนะถ้าขึ้นไปศึกซะก่อน าศาสนาพุท ธ, ธะนี่มันทําให้ช้ําพอแรงแล้วออกจากวัดผมอย่าให้ช้าไปอีกเอพอเหตุไรถ้าไปวัดวัดไหนจะอยู่ที่ไหนเอาไปแต่จะไปทะเลเทะไลร่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาชีวิตเอาหัวร้นกับผ้าเหลืองเราไปหาเที่ยวหลอกกินอย่างนั้นไปยุ่นไปนี่ไปถ้าไปเป็นกระวัดไปเที่ยวไม่มีเงินไปบาดนี้เอาผ้าเหลืองหัวร้นไปไปแล้วไปหาเที่ยวนู่นไปหาเที่ยวนี่ เที่ยวเหนือจดใต้เที่ยวใต้จุดเหนือไปที่ไหนไปในทะเลถลายไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของพระพระมันต้องอยู่ในกรอบของสมณเพศเอไปที่ไหนปีประโยชน์อย่างไรไม่ควรไปอย่างไรไปอย่างไรเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์คิดซะก่อนแล้วค่อยไปอไม่ใช่ว่าพอบวชเข้ามาแล้วคนนั้นะเอาหัวโล้นกับผ้าเหลืองพาทะเลถลายไปทั่วทั้งหมดเเพอๆยังเอา วัดของผมเป็นแหล่งแล้วก็ออกไปเที่ยวแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกวัดของผมไม่ใช่สนามบินนะไม่ให้ถ้าไม่ท่าไม่ให้อยู่นะมันไม่ได้นะเอเผล อ, อผมเคยไล่ศึกมาหลายคนนะถ่าว่าท่าจะไปไปต้องมีเหตุผลนะถ้าไปไม่มีเหตุผล ทะเลถลายไปด้วยไม่ได้นะอถ้าจะไปต้องศึกซะก่อนนะถ้าศึกไปแล้วเป็นฆราวาสไปแล้วผมไม่ว่าอะไรจะไปที่ไหนก็ได้แต่เป็นพระไปออกจา ก, กวัดป่านะคำนั้นไปนั่นไม่ได้อย่างวัดโบว์วอนอย่างเขาบวชแล้วเขาจะห้าพรรษาเขาจะให้ออกไปถ้าไปถ้าออกมาอย่างนี้เขาก็ต้องมีจดหมายแนะนํามามอบหมายมาอต่งตัวคุณมอบหมายมาว่า พระองค์นั้นองค์นี้อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดของท่านนะขอให้ท่านรับเป็นศิษยานุศิษย์นะะองค์นี้ไปอยู่กับท่านแล้วทำไม่ดีมีอากับกิริยาที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาขัดตอนหลักพระธรรมในไยให้ส่งกลับคืนสำนักเดิมท่านบอกอย่างนั้นอีกนี่แหละเพราะนั้ น, ะ น, น, นมันต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ราบวชเข้ามาแล้วติดปีกติดทางทะเลถลายไปเรื่อยตามความตามกิเลสตัวเองตัวเองอยากจะไปไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่รับรองเลยใบสุทธิไม่ให้เพราะเหตุไรเพราะไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทำไมเพราะพระุทธเจ้าจึงมัญญัดวินัยข้อนี้ก็เพราะพระสมัยนั้นมันทะเลถลายนั่น สะเลทรายมันมุ่งหวังออกไปทางโลกามิตฎอยไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยแต่มุ่งหวังไปทางมูง่นทางลาบทางยศทั้งเที่ยวทั้งเกรยปล่อยจิตปล่อยใจไปดูหญิงดูชายดูกิเลสตัณหาอะไรก็ไม่รู้มุ่งหวังออกไปทางนอกมันไม่ใช่เรื่องของพระถับพระของผู้ใดเจ้าแล้ว ต้องมีฮิริคือความละอายอุตปะคือความกลัวตวบะแล้วก็อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยศีลาจารวัตรธรำยังไงพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนยังไงจุดมุ่งหมายของพุทธะคืออะไรเราทําตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรื อ, อยังถ้าเราออกไปกิตใจของเรามาอยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะอยู่ทําไมเอากระสึกสิไปหาอยู่หากินทำมาค้าขายเหมือนฆราวาสญาติโยมเขา ไม่ใช่ว่าตัวเองออกทรงจิตใจออกไปเป็นคารวาสถ้าเป็นคารวาสจะขี้เกียจหาอยู่หากินมันลําบากก็เลยอาศัยผ้าเหลืองพอได้ปีบินถบาดกินแต่ว่าใจของตัวเองออกไปข้างนอกทําชั่วชาเสียหายเร็วซามสารเลวลเลวอไปหมดมันถูกต้องไห ม, มถ้าเราเป็นคารวาสเราจะนับถือเรื่อมใสไหมถ้าเราทําอย่างนั้นถ้าพระทำอย่างนั้น ถ้าเราเห็นพระทําอย่างนั้นเราจะเคารพนับถือเริ่มใสไหมถ้าเราทําอย่างนี้ทําตัวอย่างนี้ถ้าเราเป็นคระวัตรเราจะรับเคารพนับถือเราไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องถามถามตัเองถ้าถามอย่างนี้อยู่บ่อยๆนั่นแหละจะ เ, เ, เป็นพระที่ดีขึ้นมาได้ทำให้ถามไปลืมตัวได้ไง่ายๆนะเอทิฏฐิพระไม่ใช่ธรรมดานะเอทิฏฐิพระไม่ใช่ธรรมดา ครัตัวเองเป็นพระนะโอหังพยองพองตัวกิเลสพ่อหัวอาศัยผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าอาศัยยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าแล้วทําตัวไม่ถูกตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาจึงมัวหมองทุกวันนี่ก็เพราะคนประเภทอย่างนั้นพระประเภทอย่างนั้นไม่ใช่พระรคนประเภทอย่างนั้น มันไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจิตใจมันออกไปนอกมีแต่ยู่ในฟอร์มผ้าเหลืองเท่าเองที่คล้องอยู่จิตใจนัมันเข้าไปกีบเมฆก่อแรงแล้วเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นกรรมฐานนะพูดตามความเป็นจริงนะที่ผมพูดนะพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังนะให้พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษานะแล้วก็พวกท่านทั้งหลายที่เป็นกับบวชมาช่วงคราวสามเดือนก็ดีให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดจริงไหม ให้ศึกษาอย่าไปตำหนิพระทีเดียวอย่าไปส่งสรรเสริญพระทีเดียวต้องแยกแยะให้ออกพระยังไงจึงเป็นพระถ้าว่าพวกเห็นพวกพระแล้วถ้าพระทําตัวไม่ดีถ้าเราไปส่งเสริมไปทําบุญทําทานกับพระที่ทําตัวไม่ดีเหมือนกับส่งเสริมโจรห0าร้่นศาสนาให้สั้นเขาอีกห้อยแลงเพราะพระทำชั่ว ก็ทำช่วรู้จักเขาทําช่วยแล้วก็ยังไปทําบุญทําทานาไปส่งเสริมเขาอีกพระพุทธเจ้าเหมือนส่งเสริมโจวน500รนะ้เนี่ยพ้นศาสนาให้สั้นเขาอีกซิ่งเหล่านี้เราต้องคิดนะอันนี้นานๆจะมีใครพูดให้แก่พวกเราฟังนะแต่ถ้าว่าผู้บรรไยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งเสริมไปเถอะเออเป็นส่งเสริมพพุทธศาสนาให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอเอื้อกูลุหนุนเข้าไปด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามเกิดจะให้ขาดตกบกพร่องทำบุญทําทานกับท่านเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอา่าเป็นบุญกุศลติดพบติดชาติของเราอีกที่เราได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่วนพระสงฆ์กัท่านเป็นผู้มุ่งมั่นอา่าด้วยปัจใจสีก็ไม่ขาดเหลือขาดตกและก็พร้อมกันกับท่านั้งอกตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์ของท่านานั่นฆรวาสเกื้อกูลหนุน พระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลต่อธรรมแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ออกนอกลูก่นอกทางสัมเลเทเมากินเหล้าเมายาออกนอกลู่นอกทางไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยแล้วพวกเรายังไปส่งเสริมยังไปให้เกียรติหรือว่าไปเกื้อกูลหนุนอีกหนุนพระชั่วเพราะนั่สูงเหมือนกับนะั่นส่งเสริมโจร500ให้ป่นมุขพุทธศาสนา ศาสนาถ้ามีพระอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นยังไงเนยศาสนาจะอยู่ได้นานไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะเหตุใดพอพวกเราส่งเสริมนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคิดนะนะนะการเลือกให้และการดูซะก่อนยังค่อยใหนะ้ยังค่อยส่งเสริมอันนั้นเป็นประโยชนะ์เพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทะนั้นสอนปัญญานะ สอนแนวความคิดสอนปัญญาให้แก่พวกเราได้ฟังทำอะไรอย่าไปซื้อบือ้ออย่าไปเซอรอย่าไปโง่ให้ใช้ปัญญาให้ดูดูนอกดูในดูใกล้ดูไกลดูพระวินยัยดูศีลของพระดูคุณงามความดีบุคคลเช่นไรควรส่งเสริมบุคคลเช่นไรไม่ส่งเสริมแต่บางคนก็บอกว่าไปบริจาคทาน ที่วัดยากจนออใช่ถ้าวัดยากจนท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมล้าก็ควรจะส่งเสริมถ้าวัดวัดยากจนทำตัวไม่ดีแล้วไปส่งเสริมมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรก่อนที่วัดยากจนทำไมถึงยากจนเพราะทำตัวไม่ดีใช่ไหมถ้าทำตัวไม่ดีแล้วใครๆก็ไม่เคารพนับถือเรื่มใสจะมีอยู่มีกินได้อย่างไร เพราะศีลทำทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปในไม่ตกไปในที่ชั่ว น, ะนี่แหละทำเป็นอย่างนั้นเเพราะนั้นเราเราจะไปคิดมุ่งหวังอย่างเดียวว่าคนทุกคนยากเมื่อเราให้คนทุกคนยากมันทุกข์ยากเพราะอะไรเพราะมันขี้เกียจเนี่ยถ้ามันขี้เกียจแล้วให้เท่าไหร่มันจะพอไหมมันก็ไม่พอเราต้องให้วิชชาอาชีพเขา เราจะแนะนำสั่งสอนเขาอย่างไรในการให้เขาทําการทาํางานยังไงสอนเท่าไรเอาให้เขาเท่าไรเขาก็ยิ่งขี้เกียจเขายิ่งไม่ทํางานยิ่งนอนอยู่เฉยเฉยเราก็เป็นคนเอาให้เราก็จัดว่าเป็นประเภทโง่อีกเหมือนกันนั่นแหละส่งเสริมคนขี้เกียจส่งเสริมคนไม่ทํางานส่งเสริมคนโง่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญานะ ใช่ชาวนสัยสอนให้แนความคิดแต่บางองค์ท่านของท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านอดอยากอันนั้นเราต้องมองดูเข้าไปดูศึกษาคนจะรู้ได้คนที่มีศีลพระที่มีศีลหรือไม่มีศีลต้องดูไปนานต้องอยู่ด้วยกันนานต้องอยู่ด้วยกันนานจึงจะรู้ได้มีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าเห็นแต่หน้าท่านดีๆเท่านั้นเองเราก็ ไว้ว่าเป็นผู้มีสิลอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้เป็นผู้มีสิทหรือไม่มีสิลต้องอยู่ด้วยกันนานต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเห็นท่านลำบากแล้วเราก็ส่งเสริมที่ท่านลำบากเพราะอะไรเพราะท่านไม่ปฏิบัติต่อหลักพระธรรมวินยัยใช่ไหม ถ้าว่าท่านไม่ปฏิบัติตอนหลักก็ทำดีในเราไปส่งเสริมก็เหมือนส่งเสริมโจรห้0ร้ออีกเหมือนกันนั่นแหละอันี้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันต้องไปศึกษาต้องดูควรจะส่งส่งเสริมจุดไหนอย่างไรเช่นไรขาดเตัวผาดตุกอย่างไรเช่นไรสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญานะถ้าใช้ความโง่ไม่ที่ไหนก็โง่หมดทําอะไรกแบบโง่โง ộ, อีกเหมือนกันคิดแบบโง่โงพูดแบบโง่ทําแบบโง่มันโง่มาจากหัวใจ ทำอะไรมันก็โง่ไปหมดนะเพราะนั้นพวกเราที่ผมพูดทางนี้มาให้พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษากับผมให้ใช้ปัญญาใช้แนวความคิดใ้ใช้ปัญญาการกรองไต่ตองพอสมควรจนสุดความสามารถแล้วจะทําอะไรค่อยทํนะแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ลงสักอย่างถ้าทำอะไรอะไรไม่ลงสักอย่างให้ภาวนาให้รักษาศีลเนอย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นให้ดูตัวเอง ให้ดูใจตนเองเนี่ยแหละมันมีหลายระดับรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเราเป็นศีลถ้าทําไม่ลงจากนั้นก่อนนะภาวนาให้ชำระใจของตนเองในการสงเคราะห์ใหดูแลพ่อแม่ของตนเองให้ดูแ ล, ลวงศาขนาญาติของตนเองเออให้รักษาดูประเทศชาติบ้านเมืองโรงพยาบาลเก็บไข้ได้ป่วยมีต่างเยอะแยะไปพระสงฆ์ก่อนถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดีมีครูบาอาจารย์ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราโง่จะยากอย่างว่าหาอะไรไม่เจอเท่านั้นหาบาปหาบุญไม่เจอหาได้แต่สิ่งที่มันโง่หาได้แต่บาปหาได้แต่ทุกเท่านั้นหาได้แต่ความจนนะหาไม่ต้องความจนไม่ต้องหาก็ได้ละมันง่ายนะแต่ทุกหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องหายากเป็นต้อเองเพราะนั้นคนมีปัญญาย่อมหาสัพย์ได้คนมีปัญญาย่อมหาธรรมได้ ธรรมะในการหาได้เพราะคนมีปัญญาแต่คนหาทรัพย์ได้ก็เพราะมีปัญญาไม่ต้องหาที่ไหนทรัพย์มันมีอยู่ในแผ่นดินมีมากมายแต่คนมีปัญญาละหาได้ถ้าคนโง่เช่อย่างเนี้ยหาอะไรไม่ได้ทั้งหาธรรมก็ไม่ได้หาทรัพย์ก็ไม่ได้หาได้แต่ทุกหาได้แต่กิเลสเท่านั้นนะคนโง่นะแต่นี้ผมมาได้ดูถูกผู้ใดใครผู้หนึ่งดูถูกนะกิเลสมันนั้นนะกิเลสเราจะไงยุดในหัวใจของเราเราจะเตะมันอยู่แล้ว เพราะนั้นเราจะไปให้ยกย่องสารเรสื่อกิเลสในหัวใจเราได้ยังไงอกิเลสเป็นปันพาโงนะ่เพราะนั้นเราดูถูกกิเลสนะไม่ใช่ดูถูกคนนะถ้าผู้ใดก็ตามมีทำแล้วต้องกราบปูช่ชาพระคุณทั้งนั้น่ะถ้ากิเลสยังอยู่ในหัวใจตัวนั้นะเราเตะมันออกถีบมันออกกาจัดมันออกจะทํายังไงจะกําจัดตัวนั้นออกให้ได้นะะตอนนี้ไปเอานั่งสมาธิ ฟังเทศหลวงตาสักกันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะวันนี้นะ